นั่งสบายสบายนั่งภาวน า, น, า, า, น, า, น, า, น, านั่งสบายสบายนั่งนานๆนั่งให้มันได้หลักได้เกณฑ์นั่นงภาวนาแค่นั่งไม่พอพลิกเปลี่ยนจากการนั่ง จะยืนจะเดินจะนั่งหรือจะนอนก็ตามเราไม่ปล่อยไปที่เราตั้งใจภาวนาเราไม่ปล่อยเรอยู่กับพุโทโธพุโทโธเอาพุโทโธเป็นที่พึ่งจิตที่มันกลัวเพราะจิตไม่มีที่พึ่งดูให้ชัดจิตที่มันกลัวจิตไม่มีที่พึ่ง กลัวอะไรก็ตามแหะกลัวนู้กลัวนี้กลัวภยัยกลัวสารพัดจิตที่กลัววิจิตจไม่มีที่พึ่งเราเอาพุโทโธเป็นที่พึ่งให้มันเล่นอยู่กับพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธถ้าเผื่อมันยังมีโรูปมาหลอกเรามีรูปนั้นแทรกเข้ามารูมีรูปนี้แทรกเข้ามาให้เราตั้งใจแนะกาย ให้เป็นรูปพุโทโธให้เป็นรูปพระพุทธเจ้าพุโทโธพระพุทธเจ้าเอารูปพระพุทธเจ้าแทนรูปอย่างที่จิตมันผ่านนึกผาคิดเพราะนิสัยที่มันกลุกจิตนิสัยที่มันกลุกมารดาศาสนาในโลกลทัทธิศาสนาเกิดขึ้นในโลกมีขึ้นในโลกมีอยู่ประจำโลก บางศาสนาก็ไม่ใช่ว่าเขาจะอยากจะพ้นทุกข์เพราะอะไรก็เพราะมันไม่มีที่พึ่งก็เลยยึดนุ่นยึดนี่มาเป็นที่พึ่งแล้วก็ตั้งเป็นศาสนาขึ้นมานะนับตั้งแต่นุ่นยึดดินยึดน้ำยึดลมยึดไฟเป็นที่พึ่งยึดพระอทิตย์ยึดพระจันทร์เป็นที่พึ่งไปดูศาสนาเก่าๆมันมียึดพระอินทร์พระพรหมยึดพระเจ้าของนั้นตรงนี้เป็นที่พึ่ง นี่คือจิตมันไม่มีที่พึ่งแล้วมันกลัวกลัวภัยจิตนกลัวภัยกลัวภัยจตนาสาวไปลึกๆกลัวอะไรกลัวอะไรกลัวโทษกลัวภัยกลัวเจ็บกลัวปวดกลัวตายจะมาถึงเจ้าของเกิดความกลัวแต่ว่าที่พึ่งต่างๆเหล่านั้นก็พ้นทุกอย่างแท้จริงไม่ได้ มันยังพูดถึงการทรงตรับไว้ในนันะ้นการทรงตรัสรูนะ้ในยึดต้นไม้ ย, ยึดแผ่นดิน ย, ยดึดภูเขา ย, ยึดจอมปลวกเป็นที่พึ่งที่พึ่งเหล่านั้นเป็นที่พึ่งที่ไม่ประเสริฐนะยึดแล้วก็ไม่พ้นจากความทุ่งไปได้ใช่ไหมเนี่ยผลบัตรแคนี้มันหมดฐานแล้วเนี่ยเงีหมดดับแล้วคิ้ว มันโอ้แเราม่กินทานนะไม่พอสิบนาทีนะทานใหม่แล้นี่ยทานใหม่เอี่ยมหมดทานกินทานกลนวทานมีนทานอันกไยอันกายมันได้ชั่วโมงสองโยี่โมงได้ทานอันกไลนี่เราจะแก้ความกลวยไง ไปแก้ความกลัวสัตว์ทั้งหลายในโลกคนทั้งหลายในโลกเขาแก้ความกลัวเพราะเขายึดลักที่ยึดศาสนาต่างๆเป็นที่พึ่งเป็นที่ระลึกโดยเฉพาะศาสนาพุทธของเราเรายึดพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งที่ระลึกพ mm. ระพุทธเจ้าท่านส่งให้ยึดรองเป็นที่พึ่งที่ระลึก การที่จะยึดถือพุทธจ้าเป็นพุทธพึงที่เราเลือกมาทำอะไรเราก็ราลึกถึงคุณของพระองค์ราลึกถึงพุทธคุณเราเลึกถึงธรรมคุณระลึกถึงสังกคุณทคุณโฮทโฮนี่คือพุทธคุณธรมโมธรมโมธรมโมคือสังธรรมคุณสังโคสังโ ค, งคนคือสังกคุณ ยึดเอาสิมันนี้มันเป็นที่พึ่งมันเป็นที่ระลึกของจิตเป็นที่ระลึกของสติเป็นที่พึ่งของจิตให้จิตมันกาะอยู่กับคำว่าพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธยับยับยับยัมันกาอยู่นั้นแหละถ้าอยากเห็นรูปกไรว่าเป็นรูปพระพุทธเจ้าได้เพราะสัญญานีไรมันจะขึ้นของพระพุทธเจ้าใครใครใครของใครของใครเขาว่าอะไรนั่น พระเจ้าปางยืนปางเดินปางนั่งฟางมาวิชัยปางสมาธิปางอะไรก็แล้วแต่เราอยู่รูปพระเจ้าเราไม่เห็นพระรูปพระโ์ของพระองค์เหมือนเหมือนบุรุษเหมืคนทั่วไปกันเราเห็นพระพุทธรูปเราไปยึดพระพุทธรูปเลเป็นพระพุทธเจ้าพุทโธพุทโธพุทโธเห็นพระพุทธเจ้าเห็นพระพุทธรูปเลยพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธ ปากก็ว่าพุทธโธจิตก็ว่านึกพุทธโธด้วยแล้วก็ให้เห็นรูปพระพุทธเจ้าด้วยมันนึกได้มันนึกได้อยู่มั น, น, มนสร้างสัญญาให้เป็นรูปภาพก็ได้แบบนี้ก็เป็นอารมณ์ของสมถนะเหมือนกันเป็นอารมณ์ของสมถะได้จช่เดียวกัน<ม>เราก็มารูปก็ได้เหมือนกับเราก็มาพุทธโธแล้วเราก็มันหลงงี แต่ถ้าเราใจเราถูกพันอยู่กับพุโทโธกับลมาาาหายใจเข้าลมหายใจออกเราก็ยึดพุทโธลมหายใจเข้าลมหายใจออกอันนี้เป็นเป็นหลักทั่วไปที่จะทําให้จิตได้พื้นได้บาตได้ถ้นเร็วบางที่เราไปว่าพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธพุทโธอย่างเดียวจิตมันเดือดลอยมันต้องมีรูปกากับด้วยมันต้องมีอาการกากับด้วยถท้จริงมันก็เป็นธรรมชาติพุโทโธคือจิตนึก เรเลอกรู้จิตด้วยระลึกรู้กายด้วยเขาเลียกระลึกรู้รูปธรรมด้วยระลึกรู้นามธรรมด้วยรูปธรรมก็คือลมเนี่ยลมนี่เป็นรปูปธรรมที่ครูบาอาจารนยน์ท่านสอนมาผุดโธหายใจเข้าพุทธหายใจออกโธหายใจเข้าพุทธหายใจออกโธนี่ยืนตรงเทศน์หลงตาที่ท่านเทศน์เมื่อกี้นะท่านบอกวา่า ตัวใวิธีใหม่ที่ท่านทาำม่ถึงจะไม่เสื่อมทําแล้วทําำให้เกิดผลส่งช่วงต่อไปที่ว่าทําไม่เสื่อมก็คือท่านไม่ทิ้งคำบริกรรมคําว่าไม่ทิ้งคำบริกรรมก็คือไม่ทิ้งสติกํากับจิตนั่นแหละพุทโธพุทโทพุทโทพุทโธตราบใดที่ยังรู้สึกตัวก็พุทโธพุทโธพุทโทพุทโธพุทโธตลอดแต่ความรู้อยู่กับพุทโทตลอดถ้าเรายึ้พร้เดชจ้าเป็นที่พึ่งที่ระลึกขนาดนี้มันไม่กลัวอะไรก็ไม่กลัว แล้วก็อะไรๆทำไมมาทําอันตรายเราไมได้ถ้าเรายังกับพุทโธทำไมกุฏิการเนี่ยเด็กไปนอนอยู่นอกประตูเมืองเน่ยยักษ์มันจะไปกินอยักษ์มันจะไปกินเด็กเขาตื่นมาพุทโธตื่นมาพุทโธตื่นมาพุทโธยักษ์ทำอะไรไม่ได้เหในตำนานท่านมีอยู่เด็กเด็กเด็กที่เขาฝึกจน ช่ำนานัน้นแหะพอตกใจขึ้นมาพุโทโธตกใจขึ้นมาพุโทโธในทะี่สุดยากทําอะไรไม่ได้ใ น, นสมัยนะั้นยักกำลัจะจับเด็กไกินเลยเด็กพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธยากทําอะไรไม่ได้คุณพระพุทธเจ้านอกจากนั้นแล้วเราได้ความสงบเลยความสงบก็คือจิตมันไม่ไปปรุงเรื่องเรื่องหวาดเรื่องกลัว เรากลัวเดยวว่าเด็กกลัวผู้ใหญ่ก็กลัวเดี๋ยวว่าจะยอมกลัวนะพระกกลัวนี่พระอยู่ในนี้อาจจะมีพระกลัวกลัวจิตที่กลัวก็จิตไม่มีที่พึ่งเราต้องเอาที่พึ่งให้กับจิตอเราต้องเอาพุทโธให้เป็นที่พึ่งของจิตพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธถ้ามันยังมีรูปหุ่นแทรกเข้ามาเพราะความนึกกลัวเนี่ย ให้เรานึกโรคพระพุทธะโรขแทนโรคพระพุทธเจ้าแทนจะเป็นโรคเหมือนคนหรือจะโรคเหมือนพระพุทธโรขหรือพระพุทธโรขบนสนานนี้ก็ได้เรานึกให้เห็นโรคนี้แทนให้ดู้โรคนี้แทนบุทตรบุตรบุทตรเป็นรูปใบดำให้จิตได้รับความสงบลองทํำดูแต่ถ้าใครเกาะอยู่ ลมหายใจเข้าก็พ well ุทธหายใจออกก็โทพุทธโทอาศัยลมเป็นเครื่องระลึกเป็นเครื่องรู้ของระลึกของสติเป็นเครื่องรู้ของสัมผัสัญญาเป็นระลึกเครื่องระลึกเครื่องรู้ของจิตจิตระลึกรู้เขาว่าจิตระลึกรู้มันเป็นธรรมะสองอย่างถ้าเราจะแยกอย่างหนึ่งคือสติอีกอย่างคือสัมผัสัญญาระลึกระรู้รู้ตัว เราเริ่มรู้เราเรู้เราเรู้มันกดันโตมัโตมัโตมโตโตให้มันกาะอยู่อนเดียวนี่แหละไม่เปลี่ยนอารมณ์อันนี้ไม่เปลี่ยนพยายามทากินให้เกาะอยกับอารมณ์นี้เราไม่เปลี่ยนพอเรายังไม่เปลี่ยนได้ต่อเนื่องกันยาวพื้นทัศนบจิตของเราจะสงบได้แลวถึงขนาดนั้นไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนอารมณ์ เราทำให้มันชัดๆดูใจก็ออกพุทธใช้อกโทพุทธโทเราไปจำอันนี้จำจับให้มันอยู่กับอารมณ์อั น, นี้ฝึกอยู่กับอันนี้ซ้อมอยู่กับอนนี้อยู่กับตรงนี้แหละเพราะนี่แหละยังเป็นสาเหตุให้จิตของเราได้รับความสมบเพราะจิตสงบแล้วมันไม่กลัวลนะอะไรนล้วเพราะจิตเริ่มเข้าถึงความจริงเลยมันก็หายกลัวแลนะ้วเพราะเรารู้ว่าความกลัวนะั้นมันเป็นอารมณ์หลอก พอเราจิตเราเข้าถึงอารมณ์ความกินเข้าถึงเข้าถึงเข้าถึงจิตก็จะเริ่มรู้สึกเนืรู้สึกตัวรู้รู้เหตุของมันรู้ปัจจัยของมันว่าอะไรที่ทําให้เราโกรเรารู้แล้ว โ, วโวอ้เพราะเราเป็นพเองเพราเราเป็นเนื้อเองเราไ ป, ป็พไปนพลุเอ ง, เปป ง, เองจิตของเราไม่มีที่พึ่งขาดที่พึ่งขาดที่ระลึกเพราะฉะนั้นเราเอาที่ระลึกให้เราจิตพุทโธพุทโธพุทโธจิตเราระลึกรู้ยับ ยับย <Yeah>, yeah. ัพุทโธพุทโธนึยับยับยับ ห, yeah, yeah. หายใจเข้าพุทหายใจออกโธจิตรู้ยับยับยับจิตมีที่พึ่งนี่เขาเรียกว่าจิตมีที่พึ่งเราตรงนี้แหละเป็นที่พึ่งของจิตจากนั้นจิตก็จะได้รับควาสมสงบเลยอย่าลืมว่าจิตที่มันสงบ ก, ก็บพราะเกิกเรมันเข้าไปแทรกจิตไม่ได้ถ้ากเรเข้าไปแทกจิตได้กเกเรมัสรางภาพให้เราก สราง ภ, ภาพนูนสรางภาพนี้ถ้าไม่สราภาพให้หกลัวก็สร้างภาพใ ห, <ส>ให้ให้รักให้ชอบรูปที่น่ารักรูปที่น่าชอบใจรูปที่น่ารักหรือไม่โรคที่มันดึงจิตเราไปคิดล่องลอยเลื่อนเปลื่ยไปนึกไม่ใช่เรื่องไม่ใช่โรคน่ารักโรคน่าชอบแต่มันเลื่อนเปลื่ยไปตามเรื่องเพ ร, รมันมันตรงเรื่องอะไรก็โรคนั้นแหละที่มันปรากฏที่จะเรียกว่ามโนภาพมโนภาพมโนภาพมันเกิดขึ้นจากสัญญาสัญญาขัน สัญญาขันคือการจําได้การหมายรู้นอกจากมันจําได้แล้วมันก็หมายรู้ของมันเองเช่นอย่างเราหมายรูปพระพุทธเจ้านี่รเราหมายเองเราไม่เคยเห็นแต่เราหมายไหมหรือเราเร า, เราว่าจำความจําเช่นอย่างบรมศลานี้เราเห็นพระพุทธรูปเราจําพุโทโธพุทโธเราให้เห็นรูปพระพุธทธรูปอย่างนี้แทนที่ แทนที่รูปที่มันน่ากลัวที่เราวาดเป็นมรนภาพขึ้นมาอย่าลืมว่าภาพที่ถูกวาดทั้งหมดเหล่านั้นเป็นภาพหลอกทั้งนั้นคือมันหลอกจิตของเรามันรวมจิตของเรามันไม่ใช่ของจริงมันใช่เรื่องจริงแล้วก็ไม่ใช่ผีใช่เปรตใช่อะไรที่ไหนจิตของเราเนี่ยมันหลอกทําไมถึงหลอกเพราะว่ามันนึกกลัวทําไมถึงน่กกลัวเพราะมันไม่มีที่พึ่งมันขาดที่พึ่งมันว้าวเวมันไม่อบอุ่น การไม่กลัวก็คือความรู้สึกว่าอบอุ่นอบอุ่นใจแล้วใจไม่ว้าวเลยใจไม่กลัวนะใจอยู่เป็นพ้าสุขแล้วอืใจของเราใ้เรายิ่งปล่อยพ้าสุขพ้าสุกไปเรื่อยๆผ้าสุกไปเรื่อยๆผ้าสุขไปผ้าสุกไปสหน่อยมันชินมันชาพอมันชินมันชามันกระดื้นมันชินมันชากันดื้นะดื้งไปเกาะ ไปกับความชินความชานั้นนะ่ะมันเหลิงเหลิงแล้วก็มันหลงหลงแล้วก็มันเพลินอ่ามันไม่กิดอย่างหนึ่งมันก็ไปกิดอยาหนึ่งนะจิตของเราเนี่ยถ้าเราไม่มีคิดเพื่อให้น อ, อยู่นะ่ะมันไม่กิดโรคที่น้ากลัวมันก็ไปติดกิริยาอาการอารมณ์ที่ทำให้เราน่าอดีดีน่ามีความสุขน่าปลื้มใจอะไรอะไรมันแทรกเข้ามาแทรกเข้ามาในกิตตรงนั้นนี่เป็นเรื่องของจิตในภายใน ถ้าเรามาภาวนาให้เราจะไม่กลัวเนื่องจากว่าคําบริกรรมคำภาวนาผีมันก็กลัวผีที่เขามีพุโทโธเขายิ่งกลัวเพราะเขาไม่มายุ่งอืเขาไม่มายุ่กับเราเราไม่เห็นเราก็เห็นแต่ก่อนตายนอนหลับกา ย, ยนั่นคือผีแล้วอย่างอื่นแล้วมันก็เห็นน อ, อย่างนั้นมีแต่เราวาดมโนภาพเรากลัวเองเท่านั้น เป็นนั้นเป็นนั้นเป็นงนั้นเราดูไปจัดเกี่ยอะไรจะเกิดเป็นปัจจัยของมันก้อนจิตเราไม่มีที่พึ่งจิตมันเลื่อยเปลือยน่องลอยไปไม่มีอะไรเป็นหลักเป็นฐานบางทีก็วาดไปเรื่องดีใจบางทีก็วาดไปเรื่องเสียใจบางทีวาดไปเรื่องหน้ากลัวหน้ากลัวนั้นหน้ากลวยนี้หน้ากลัวแล้วก็จิตมันคิดเองจิตมันกลัวเองใช่ไหมดูที่มันซับซ้อนๆหลายซ้อนมันนึกเองมันคิดเองมันกลัวเอง ลืมตาดูก็ไม่เห็นมีอะไรพอเราหลับตาแล้วมัเห็นเป็นมนโนภาพมนโนภาพคืนสัญญามันเกิญญดขึ้นจากจิตดิฉันถ้าเราคิดคิดไปคิดมาเราโกรธจิตเอา้าเรากลัวจิตแล้วเราไปอยู่ตรงไรนโลกนี้มันไม่มีที่อยู่แล้วโกรธจิตของเจ้าของเองเรากลัวจิตนั่นแหละเราเอาที่พุ่ให้กับจิตพุทโธพุทโธมันจะเรามาอยู่กันนี้ ห้ามอยู่โดดเดียวห้ามอยู่ตามลาพันธ์ให้อยู่กับบทธรรมนี่นะพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธก็กลับลมหายใจเข้าลงหายใจออกบางคราบางครั้งนี่มีสติมีสัมปชัญญะพุทโธพุทโธรู้สึกบัญญานไปมันไม่ทำพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธสติเย็บเย็บเย็บเยเยบย็เยทำแต่ก็ไปนานไม่นานนะ อย่าไปทำต่อเลยไปไปนานไปเดียวเ๋ยวมันก็ะเพือไปให้ขยับมาอยู่กับลมเหมือนเดิมอ่าพุดถูพุทโธลมหายใจเข้าลมหายใจออกเพราะว่าลมหายใจเข้าหายใจออกมันเป็นธรรมชาติของกายเราตั้งใจหายใจมันก็หายใจเราไม่ตั้งใจมันก็หายใจเรานอนหลับก็หายใจเราอยู่เรืยเรานัานอนหายใจตลอดการหายใจอืทาไมหายใจ ไม่หไม่หายใจถึงห้านาทีดีิม่ดีนะก็ช็อกตายเพราะการหายใจเข้าหายใจออกมันเป็นระบบอย่างหนึ่งของร่างกายมันถ่ายเทเอาของดีเข้าไปเอาของเสียออกมามีนเป็นลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมนี้เป็นเป็นรูปนะลมเป็นรูปเพราะมันมนเกี่ยวข้องกับร่างกายของเราทั้งแตว่าเป็นรูปเป็นรูปกรรมฐานลมเป็นรูป แต่ลมจริงๆเรามองไม่เห็นดอกแต่มันตาเรามองไม่เห็นแต่ว่ามันสัมผัสกายได้มันไม่สัมผัสตาแต่มันสัมผัสกายได้เพราะฉะนั้นมันจึงเป็นรูปไฟมันก็เป็นรูปเพราะมันสัมผัสกายได้ลมก็เป็นรูปเพราะมันสัมผัสกายได้วิญญาณวิญญาณวิญญาณที่เป็นนามวิญญาณที่เป็นกิจ เป็นกิริยาของจิตวิญญาณาขันนีเป็นกิริยาของจิตจิตคือผู้รู้ผู้รู้คือธาตรู้จิตของเราแต่ละดวงแต่ละดวงคือผู้รู้คือธาตรู้อเราก็มาจดจ่อมาที่ตัวเราผู้รู้ของเราจอ่อลงมาใส่ผู้รู้แร้วก็มาจดจ่อไปมันรับเบือนมันแตกให้มันแตกสติแตกปัญญา ให้มันแตกแขนงหนจอเข้ามาที่จิตให้มันแตกสติให้มันแตกปัญญาให้มันแตกให้มันแตกสติให้แตกสัมปชัญญะให้แตกปัญญาให้แตกขันติให้แตกสองรัชจักรให้แตกธรรมะอยู่ในนี้แลกมันสิพันปัตตมกขันอยู่ในจิตเนี่ยย้อนออกมาจี้ไปที่ผู้รู้จิตคือผู้รู้คือธาตรู้จิตคือธาุรู้คือผู้รู้ แต่ผู้รู้ของเรามันไม่บริสุทธิ์มันมีกิเลสปนเปื้อนมาด้วยอเพราะฉะนั้นมันกินมาเยอะทายึดขันมายึดดินน้ำลมไฟที่เป็นรูปธรรมแล้วก็มันมันมีเวทนาสัญญาสังขารปัญญาณขันรูปประการนามขันทั้งสี่มันเป็นเครื่องธรรมเชื่อมาสัมพันธ์กันกับรูปธรรมพระอนามพันธจิตอาบะของจิตของเราแต่ละคนแต่ละคน เดี๋ยวนี้เรามีความทุกข์เพราะเรามีจิตคือมีจิตที่ประกอบไปด้วยสิ่งที่พาจิตเศร้าหมองจิตเศร้าหมองคืออมันพานึ่งคิดเป็นเหตุให้เราดีใจมันพานึ่งคิดเป็นเหตุให้เราเสียใจมันพานึ่งคิดเป็นเหตุให้เราราคตราะตัณหาะมันพานึ่งคิดให้เราเกิดความโลภเกิดความโกรธสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นปฏิกริยา เป็นกินาการของความทุกข์ของของทุกข์ที่มาทับท่วมหัวหใจเราเราไม่เราไม่ชอบใจเราไม่พอใจพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนวิธีให้ตัดความทุกข์ต่างๆเหล่านี้ออกจากจิตของเราคือย้อนมาศึกษาดูจิตของตัวเองนะย้อนมาศึกษาที่นี่ไปศึกษาที่อื่นไม่หายไปศึกษาที่อื่นไม่ไม่จบแล้วก็ไม่เจอใช่ไหมไปศึกษาที่อื่นไม่เจอต้องมาศึกษาตั ว, ต, วตัวผู้รู้นแหละ ผู้รู้มันยึดกายทั้งให้มาศึกษากายผู้รู้มันยึดเวทนาเราก็ศึกษาเวทนาถ้ามาศึกษาเวทนาเราก็ไม่รู้เหมันอย่างมนโนภาพที่เกิดขึ้นที่จิตมันเกิดขึ้นจากเวทนาได้เกิดขึ้นจากสัญญาเวทนาก็เหมือนกันดีใจก็คือเวทนาเสียใจก็คือเวทนาเราต้องย้อนมาดูมารู้ถ้าเราไม่ย้อนมาดูมารู้มันก็ มีกองทุกมีความทุกเท่าถงเราไม่รู้จักมันเราไม่รู้ว่าอันนี้คือธรรมชาติอย่างเราไม่รู้จักของไม่เข้าใจมันไม่ต่ยึดไม่ศึกษาเวทนาก็ยึดเวทนาไม่ศึกษาสัญญาก็ยึดสัญญามันยึดด้วยอัตโนมัติของมันยึดว่าเป็นรูปนเป็นนี้ยึดไาอย่างโน่นอย่างนี้หมายอย่างโน้หมายอย่างนี้หมายรูปหมายรูปใดก็ตามที่เป็นอยู่ในเราเกิดความกำหนัดเกิดความอินดี เกิดความเพลินใจเกิดความพอใจการหมายนั้นมันเป็นเรื่องของกิเลสผาหมายการหมายรูปที่ทำให้ให้เราเบือบ่อว่าดรูหมายรูปให้เกิดความเบือ่อให้เกิดความน่าเกลียดให้เกิดความน่ารังเกียจให้เกิดปฏิกูลเกิดโสโครเพื่อให้เราคลายจากการยึดมั่นถือมัแนในกายนี้ จะยังมองหเห็นกายเป็นอสุภะเนี่ยคือความไม่งามหน้าเปลียดโสโครกอกท่านให้มองมองเพื่อเกิดความบูรณาในในกายนี้เพราะถ้าเราไม่มองมันก็ไม่มันก็ติดในกายเรามอยให้เกิดเห็นเป็นของปัิกุลน่าเปรียดโสโครกน่าเปลียดตั้งแต่รูปผ่านสันฐานเป็นผมเนี่ยถ้าเอาผมเส่นเดียวมาเราน่ารักน่าชอบใจไหม เอาฟันน่ยเอาฟันมาตัวเดียวเลยมาม น, น่ารักน่าชอบใจไหมเล็บตัดเล็บมานี่น่ารักน่าชอบใจไหมเนื้อปลาเนื้อมามันดู น, น่ารักน่าชอบใจน่าพอใจไหมแต่เมื่อมันรวมกันเกาะกันเป็นกลุ่มก็เลยทําให้เราติดใจในสันฐานสันฐานศีรษะนี่สันฐานแขนสันฐานลําตัวสันฐานขาสถานอะไรทุกๆสันฐานที่เป็นเรื่องของอวัยวะ ที่เป็นรูปภัยนอกที่เราหนุนที่เรียกว่าโรคภัยสันตานมันติดมันติดถ้ามันถูกใจมันมันรู้ว่ารมณ์น่ะถูกใจมันชอบถ้าไม่ถูกใจมันมันไม่ชอบถ้าถูกใจมันก็คือมันรายงานผิดทั้งไม่ถูกใจก็คือมันรายงานผิดมันรายคานไรยงานผิดจากความเป็นจริงไปแท้ที่แท้จริงก็คือรูปก็คือรูปประกอบไปด้วยดินน้ำลมไท เวทนาสัญญาสังขารอินญามันก็เป็นหลักธรรมชาติที่เป็นนามขันสําหรับมาประกอบกันเพื่อให้รูปธรรมนามธรรมาาประกอบกันได้อแท้จริงถ้าอาจารยไม่ศึกษาเรื่องกิเลสกิเลสเอาเวทนาสัญญาสังขารอินญานั้นมาเป็นเครื่องมือมาเป็นสะพานเชื่อมรูปเวลารูปไปเห็นนะเวลารูปไปเห็นเวลารูปไปได้ยิน เขามาร่วมไปยิงคือหูหน่อยหูมันไปได้ยินเวลากายมันไปสัมผัสเนี่ยคือร่วมไปสัมผัสแสดงมันก็เอาความดีใจเข้ามาเอาความเสียใจเข้ามาแต่มันจะเลือกหาแต่สิ่งที่มันชอบใจมันจะเสพสุขเข้าไปที่ใจขณะที่มันยินดีมนชอบใจมันก็ดึงดุลเข้ามามันเสพสุขเข้าไปที่กิตเห็นไหมเป็นเครื่องมือหาอินเข้ามันนี่คือคือจิตมันยังรุ่วงหลงอยู่ในรูปมันจึงไม่ได้รูปเี้ รูปมัในนามมันจึงได้มายึดนามแต่ถ้าจิตที่บริสุทธิ์คือจิตดวงเดียวจิตดด โ, ด, ด, โ ด, ดูจิตไม่เป็นสองกับสิ่งใดคือจิตผ้หาหลานท่านชำระท่านขาดกล่าวเสร็จแล้วหมดจากการยึดมัน่นถือมันเพราะรู้เข้าใจหมดแล้วก็ปล่อยหมดแล้วนั้นคือบอกผลทุกจิตที่ผลทุกผลทุ ก, กเพราะเขเข้าใจเรื่องรูปรขันหมดแล้วเข้าใจเรื่องเวทนาสัญญาสั ง, างขารมิจันเข้าใจหมดแล้วรู้วิธี รู้กระบวนการรู้ระบบระเบียบของมันในการทำงานประ ส, ะระสานกันจนสามารถรับรูปได้คือลักกายตัวนี้ได้ไม่สำคัญว่ากายนี้เป็นเราว่าเป็นของของเรากายมีสุขสบายอะไรงไงพอรู้เท่าทันมันแก้ไขมันไปแต่จิตผู้รู้ที่ลาบที่ถอนออกแล ไม่ได้มาทุกข์กับกายตรงนี้กายจะเจ็บกายจะสุขกายจะทุกข์กายจะระบาอะไรก็รับรู้เฉยๆไม่ได้มาทุกข์ร่วมกับมันอืแต่ถ้าเราไม่ศึกษาเข้าใจด้วยอุปาทานยังมีอยู่ในรูปนี้อกายเจ็บกายปวดเราก็ทุกข์ไปกับกายกายสุขกายสบายเราก็พลอยดีไปกับกายยึดกายเราแล้วก็ไม่ผอยึดกายเขาด้วยยึดคนนั้นยึดคนนี้อ่าคือความยึดด้วยอํานาจของกิเลสที่มันมีอยู่ในจิต ทุกคนมีผู้รู้ผู้รู้มีขึ้นมามีกิเลสปนเปื้อนมาด้วย เ, เพราะชะนะกิเลสต่างๆเหล่ า, านี้เราจะต้องชำระพระพุทธเจ้าท่านสอนให้ชำระเพราะพระองค์ศึกษาและชำรับผ่านไปแล้วพ้นไปแล้วพระพุทธองค์มันรู้เย่ยบุญญาบา ร, รมีน้องเพ็ญมาแปรเสียสมแข็งสร้างบารมีมาเสียสมแข็ง สร้างบา ร, รมีมาแปดอสงไขยบ้างพระพุทธเจ้าถึงบอกสร้างบ ร, รมีม า, าสิบหกอสงไขยบ้างอสร้างบา ร, รมีมาพอตัดสรู้ด้วยบุญญาบารมีที่สร้างสมบูรณมานานเป็นเหตุให้พระองค์พบช่องพบทางรู้อันนี้ได้แต่ศาสนาของศาสนาต่างๆนั้นนะไม่ใช่วิธีการตัดสรู้เหมือนหลวงพุทธเจ้าคือสร้างบ ร, รมีไม่ถึงสอนได้แค่สวรรค์ สอนหน้าแค่พรหมซึ่งอยพกพราหมณ์เาก็สอนหน้าให้ชั้นพรหมอย่างดีที่สุดเขาไปเกิดในสวรรค์ชั้นพรหมก็ถือว่าเป็นนิพพานของเขาศา ส, สนาอื่นใครตายแล้วได้ไปอยู่ข้าวประแจ้านั่นคือนิพพานของเขาไม่ว่าจะเป็นคลิกไม่ว่าจะเป็นอิสลามขาถือว่าตายแล้วได้ไปอยู่ข้าวประแจ้านั่นเป็นนิพพานของเขาแต่พระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านสอนมาก พระเจ้าหรือเทวดาอยูบนสวรรค์ก็หมดอายุไขได้มีอายุเท่านั้นปีมีเท่นี้ปีแปดหมืนปีอย่าพกพรอมเนี่ยอารมปร พ, พรอมเนี่ยแปดมื่นสี่พันกับเนี่ยมันก็หมดไปได้หมดไปหมดไปหมดไ ป, หมดไปไหนสุดก็หมดหมดอายุไขพอหมดอายุไขัยก็เปลี่ยนจากพรมอมโตมาเป็นเทวดาตตมาเป็นมนุษย์โกมาเป็นสัตว์อมันสัว์เปลี่ยนไปได้เพราะว่าอุปาทานมันยังมีอยู่ในจิตดวงนั้น หายช่องทางที่จแะแบกออกไปเหมือนพระพุทธเจ้าเหมือนพราษาวจนของพระองค์ที่ได้ตรุธรรมไม่ได้ไม่พบไม่เจอเพราะบุญบารมีไมนถึงคือปัญญาไม่ถึงความสว่างไม่ถึงความสามารถไม่ถึงแต่พระพุทธเจ้าด้วยบุญบารมีพระองค์พาไปได้ตั้งใจบำเพ็ญปฏิบัติเป็นตามปฏิปทาที่ครูบาอาจารย์เมื่ออย่างที่หลงตาท่านเล่าอะไรหลายให้ฟังนี การปฏิบัติเป็นงั้นเป็นงั้นเป็นงื่อนเป็นเงืนท่านเล่าเลาเราฟังเราก็ฟังไว้เป็นกุยหมายป้ายทางอันนั้นคือผลที่เกิดขึ้นกับท่านเราไปหมายหมายอันนี้หมายนนี้หมายเกิดมืนมันหมายไม่ได้เราจะต้องทํางานการทำงานของเราคือทํากิจให้ได้ระความสงบทํำกิจให้ได้รับความสงบทำกิจให้ได้รับความสงบก็เอาสงบความสงบของกิจที่มีกาลัง เป็นพื้นเป็นบาทเป็นธรงมของความสงบมาพิจารณาพิจารณาเพื่อเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องกายเพื่อรื้อเพื่อถอนเพื่อถอดเพื่อถอนจากการยึดมั่นถึงมั่นในกายมาพิจารณามาเรียนรู้เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเพื่อรื้อเพื่อถอดเพื่อถอนเพื่อเือเพื่อหนายจากเวทนาจากสัญญาจากสังขารจากวิญญาณจึงสามารถจับ ถ้ขันนี้ไปได้ละขันนี้ไปได้ละขันนี้ไปได้ก็คือไม่ปราถนาขันอไม่ปรทาทถนาขันอไม่ปราถนานขันในลวกตาท่านแสดงทำละเอียดลึกมากไปกว่าขันห้าท่านบอกว่าถอนขันห้าได้หมดแล้วแต่ยังติดใจในผู้รู้เองยังติดใจในผู้รู้เอง ติดใจในผู้รู้ก็คือติดใจในในธรรมที่เลยเลยจะไม่ไปเพราะฉะนั้นพระอนาคามีจึงมีหลายชั้นทังทพูดเอาไว้เราไปหาตป่าสุทัศสาสุทัศนสีอคนิทฐาอเพราะฉะนั้นจะต้องจะต้องรู้จะต้องขัดกล่าวไปเรื่องๆอย่างที่เราพูดตามที่ท่นเทศน์ให้ฟังเหมือนอย่างนี้ท่านพูดคือว่าอนัตตาลัคณาสูตรเนี่ย ถ้าพูดถึงว่าเบื่อหน่ายในขันห้าเมื่อเบื่อหน่ายก็พ้นเมื่อเบื่อหน่ายก็คลายเมื่อคลายก็จ่าเมื่อจ่าก็ก็หลุดพ้นเมื่อหลุดพ้นรู้ว่าหลุดหลุดพ้นแล้วมีไหมอนัตตาอนัตสุขการสอนว่าผูกเบื่อน่าสัญญาสังขายทั้ญาณเป็นอนัตตาไม่เที่ยงเป็นภพสิ่งไหนไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นุภพเมื่อไม่เที่ยงเป็นภพเป็นอนัตตาหรือเป็นอนัตตาเป็นอนัตตา ท่านสอนแค่ขันหน้าเสร็จแล้วก็ได้รู้เป็นประธานท่านบอกว่ามันขัดกับภาพปฏิบัติของท่านภาพปฏิบัติของท่านพิจารณา ข, ขันห้าจนหมดแล้วแต่ยังหลงอยู่กับผู้รู้ต้องไปพิจารณาผู้รู้ต่า ง, งอืกคือจิตหลงจิตเองจิตหลงผู้รู้เองแทนที่จะหลงไปธนาสัญญาสาังขารวิญญาไม่หลงแล้วรู้เข้าใจหมดแล้วแต่หลงผู้รู้เองก็ถึงคือยัออออยงไม่ผล ยังไม่ค้นทีนี้ที่ท่าโล่งใจที่ท่าโล่งใจท่านโล่งใจในอาทิตตปริยยสุขคือเบื่อโรคเบื่อาสังขะเบื่อกายเบื่อโรคเบื่อตาเบื่อหูเบื่อจมูกเบื่อดินเบื่อกายและก็อบใจนะในอาทิตตปริยยสุ ท่านบอกว่าตามหูจมูกลิ้นกายใจเปอของร้อนร้อนเพราะราคะทินาโทสะทินาร้อนเพราะไฟคือราคะร้อนเพราะไฟคือโทสะร้อนเพราะไฟคือโมหะอืเมื่อแสดงแก่อธิตยตปริยาสูงนี่แสดงแก่ชัดินชดินหนึ่งพันชัดนหนึ่งพันกับสามอง พิสุเฉ ด, ดินต่างๆเหล่านั้นเกิด ค, ความเลื่อมใสในผู้ไดเจา้ทาทั้งสามพี่น้องกัสปะนพัพี่ชายกัดมัพพชายกสปะน้องที่สนัททีกัสปะน้องที่3ามขยากัสปะไปปวดปวดเป็นเฉ ด, ดินมีพอยสัตว์บริวารรวมแล้วเป็นหนึ่งพันอาจารย์หัวหน้าอีก 3, 1, สามก็เป็นหนึ่งพันสามเป็นหนึ่งพันสามหลังจากเรื่อมใ ส, สทาแล้วก็บวด บวชบวชแล้วยังไม่ได้เป็นรลุเป็นพระรามเพรงก็พาไปแสดงที่ขยาสีสัตปฐมุนแสดงที่ตาบลขยาสีสัตแสดงเรื่องอาทิตยปริยัชสุคือไฟราคาโทสะโมหะนี้เป็ไนไฟเพราะเชตินทั้งหมดเป็นเป็นลัทธิที่บูชาไฟท่านเลยเป็นผูดเรื่องไฟที่แท้จริงในฝังคือไฟราคาโทสะโมห ตาก็ร้อนตาก็ร้อนรูปก็ร้อนร้อนเพราะราคะร้อนเพราะโทสะร้อนเพราะโมหะราคะกินาโดสักินามหกินาหูก็ร้อนเสียงก็ร้อนร้อนเพราะราคะกินาโสักกินาโมหกินารคะโทสะโมหจมูกก็ร้อนอ จมูกก็ร้อนกลิ่นก็ร้อนกายก็ร้อนสัมผัสก็ร้อนใจก็ร้อนมโนสัมผัสทางใจก็ร้อนร้อนเพราะราคะทินาโทสะทินามหะทินาร้อนเพราไปคือราคะโทสะโมหะที่พอร้องแสดงไปจนจบพระสูตรนี้แล้วเอาชะดินเท่างหลายทั้งปวงนนะั้นจิตก็หลุดพ้นเกิด ค, ความเบื่อหนนะ่ายเมื่อเบื่อนหน่ายก็คลายเมื่อคลายผจางผจางเขาหลุด ไม่หลุดกับพ้นมาพ้นแล้วรู้ว่าจุดของพ้พนแล้นวนี่งดกตาท่านลงใจว่าเพราะเบือนอในใจนะเบื่อนในใจด้วยท่านพิจารณาคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญานี้เป็นอาการของใจนะไม่ใช่ตัวใจแท้มันะไม่ใช่ตัวจิตแท้ตัวจิตแท้คือผู้รู้คือผู้รู้คือ่าตรู้อันนี้เป็นอาการของจิต กิรรมทีิตมันคิดมันนึกมันปรุงมันแต่งไปแต่ละอย่างแต่ละอย่างแต่ละอย่างตะเรียกว่าอาการของจิตเวทนาเป็นอาการของจิตสัญญามันหมายอยู่ในจิตเป็นอาการของจิตสังขารก็เป็นอาการของจิตวิญญาณก็เป็นอาการของจิตวิญญาณในที่นี้หมายถึงวิญญาณนักขันไม่ใช่วิญญาณธาตุแต่ถ้าเป็นวิญญาณธาตุหมายถึงจิตแต่ถ้าเป็นวิญญาณนักขัน มายถึงกองกองหนึ่งซึ่งเป็นกิริยาของกิตที่รียก ว, ว่าวิญญาณอ่วิญญาณขันนี่มันม่อยู่ในตัวเราอห้เราได้นได้ควาน้อม เ, เลื่อเลื่อมมาเป็นบทธรรมที่มีอยู่ภายในตัวเราให้เรากําหนดน้อมมาพิจารณาเกิดความรู้เกิดความเข้าใจจิ้มมาที่นี่ดูที่นี่เข้าใจที่นี่ใ้มันแตกฉานอยู่ที่นี่้มันจะได้ทันกิเลสกันที่นี่เมื่อมันทันกิเลสแล้ว ความจริงทั้งหลายก็จะเริ่มปรากบเป็นคนที่มีมีมีสัจจะเป็นหลักะเป็นคนที่มีสัจจะเป็นหลักอันไหนที่ไม่มีสัจจะเชื่อไม่ได้มว่ามีข้อเท็จจริงอย่างไรนะ้วก็ฟังก็สัพตว่ฟังเห็นก็สัพตะว่าเห็นจะไม่ไม่ตัดสินใจว่าเชื่อหรือไม่เชื่อก็ทีว่ว่าเห็นก็สัพตว่เห็นฟังก็สัพตว่าฟังไม่ยินก็สัพตะว่ายินแต่ถ้ามีเหตุผลประกอบแล้วโอ้ใช่ แต่ถ้ายังไม่เห็นผลประกอบก็จะเชื่อกอนไม่เชื่อจะว่าไม่เชื่อก็ไม่เชื่อจะว่าเชื่อก็อยังไม่ เ, เชื่อเพราะไม่มีเหตุผลประกอบเพราะฉะนั้นผู้ที่จะเห็นเหตุผลชัดเจนและก็หมดความสงสัยในตัวเองก็คือผู้ตั้งใจปฏิบัติธรรมนช้นอย่างพรสุวรรณบัณคือท่านเห็นชัดเจนแจ่มแจ้งในตัวของตัวเองด้วยการเข้าไปรู้เข้าไปรู้เข้าไปเห็นด้วยเห็นด้วยปัจจัยอย่างใดอย่างหนึ่ง จะเป็นเหตุให้เกิดการบุญเหมือนนายเกิดญาณทัศนะเกิดการบุญการหมายเกิดเห็นผิดเห็นภิดในความร่วงหลองไม่จิตตุ่นไม่จิดรู้สึกตัวก็ถอยอยตัวถอยก็มาถอยก็หมาถอยมาเรื่อยถอยมาเรื่อยถอยเรื่อยถอยจะเป็นอิสระไม่เกี่ยวกับขันทั้งหขันไหนก็ไม่เกี่ยวจิตถอยมายจิตคือผู้รู้จิตไม่ใช่ขันห้าจิตนอกเหนือไปจากขันห้าขันห้าเป็นอาการของจิต รากายนี้เป็นอาการของจิตเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอาการของจิตเนะราภาวนาไปนึกคิดไปพิจารณาไปก็ยังไปทําความสับสนให้ทาําความรู้จักว่าเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอาการของจิตแต่มันยังมีจิตผู้รู้ตัวรู้ตัวดั้งเดิมที่เรียกว่าธาตุรู้ในจิตของเรามันก็อยู่อยู่นี้แหละเราไย่รู้ ดูที่ไหนก็เห็นท่ร่ม่เห็นย้อนมาดูทีตัวของมัดูไปการดูไปเรื่อยๆเหมือนกับเป็นการซักเป็นการฟอกเป็นการแวดระวังเป็นการสร้างสติสร้างสางังข์ันยัสร้างเฮลิโอตปัตสร้างความฉลาดสร้างปัญญาเกิดขึ้นในตัวผู้รู้ น, นี่แหละพอผ่านันไปผ่าน น, น, นี้ไปผู้รู้นี้จะเป็นผู้รูท้ที่เป็นแก้วสารพัดนั่นท้องตัวได้หมือัคนทุก ความทุกข์ไม่ต้องไปเกี่ยวข้องกับอะไรกระดูกเด็กโยชอยสบายไม่ต้องไปยุ่งกับอะไรอืถ้าเราอยเที่ยวก็หมายว่าโยอยู่เฉยๆสบายไม่ต้องไปยุ่งกับอะไรอไม่ต้องไปยุ่งกับอะไรปรามางสุขังปรามังสุขังอุตตฌาสะฌงตรัสว่ามรรมาสุขจิดถึงมรรมาสุขอืคิดถึงมรรมาสุขเราพยายามพิจารณาพยายามนั่งไปนั่งมาพยายามแยกเยอะ ย้อนกลับไปย้อนกลับมาพิจญายนย้อนไปพิจารณาย้อนมาจิ้มไปจิ้มมาย้อนไปย้อนมาอยู่วันเงี้อยู่นี่แหละอยู่กับของจริงกับเรื่องจริงตั้งเจตนาจิตจิตพิจารณาย้อนไปพิจารณาย้อนมาสงสัยอะไรก็จิ้มปฏิจจ์ย้อนปฏิจจดูปฏิจจ์ถามปฏิจจ์เพราะจิตมันอารมล์ถามจิตเอาผู้รู้กระถามผู้รู้ถามเข้าไปถามไป มันมีนิสัยสนมันชอบที่จะต่อไปเรื่อยๆจิตถามไปถามไปถามไปนิสัยวุตป็นงนั้นมันชอบถูกชอบแก้ชอบผูกชอบแก้ชอบผูกชอบแก้มันข้อมันคาอะไรมันยังไม่ใค่อยไม่ใช่สัจตัวจริงเรากพยายามศึกษาไปฝึกซอก้อมเข้าไปฝึกซอก้อม้าไปจนขางจริงจะโผล่ขึ้นมาเนี่ยมันเป็นวิธีการข้างนในใช่ใช่ความพับความเพียร ใช้ความสาพยายาอันนี้เป็นตัวบุญเกิดเรื่ของบุญเรายิ่งศึกษาเกิดความรู้เกิดความเามข้าใจขัดเกลาได้เท่าไหร่ก็คือเรามีบุญมากทอา น, นั้นการที่เราพยายามปัดเป่าทุกข์ที่มีภายใใจของเรออกไปแม้แต่ทุกข์แค่กลัวผีก็ไม่ธรรมดามกันนะกลัวมันจะเป็นจะตายเหมือนกันนะเคยเคยกลัวเหมือนกันอืมเพราะอะไรเพราะเราหลงเราลุล้นหงลง้มลุล้นเลยไม่รู้หน้าลุล้นหลัง ไม่มีเหตุผลอะไรเป็นของตัวเองมันเป็นเรื่องของความรู้นั่นเราเอาตลอดทุกระยะเมื่อเรามาศึกษาารู้เหตุรู้ปัจจัยอะไรของมันแล้วก็โอ้ยหัวเราะให้กับตัวเองนะนั่นเป็น่นีกสิ่งที่ไม่ปรากฏตามตาหูจมูกลินการใจของตัวเองแล้วจะไม่เชื่อจะเชื่อเฉพาะสิ่งที่ปรากฏตามตาหูจมูกลิ้นการใจของตัวเองเพราะมีเหตุมีปัจจัยมีเหตุมีผลในตัว จะเป็นจะเป็นอย่างนั้นนะมันจะเป็นงนั้นจิตที่ฝึกฝนอบรมนี่แล้วความนึกคิดตัวเองจะหลอกตัวเองไม่ได้อันนี้มันขึ้นไปตามลำดับขึ้นไปตามระดับระดับชั้นระดับผู้ขึ้นไปพอศึกษาแก่กล้ออามาหน่อยไ อ, ท อ, ย อ, อ, อ้ที่อยู่พื้นๆต่างๆอที่อยู่พื้นๆต่างๆมันก็รบลวนจิตเราไม่ได้ แต่ว่าไอ้ตัวที่กลอนมายาวอุบาของเกิเลสที่มันยังละเอียดกว่านั้นมันก็ยังรบกวนเราได้เพราะฉะนั้นยังจะต้องศึกษาไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อ ย, ป เ, อยอเป็นเระเสขับศึกษาเพื่อความเป็นพระสกิทาคาพระนาคาพระอรหันต์พร ะ, รพระจบแล้วเป็นพระอเกษตรไม่ต้องศึกษาแล้วไม่ต้องศึกษาถอดถอนพิษภัยที่ติดติดข้อมาตะกิดถอดถอนได้หมดแล้วนี่คือหน้าที่ที่พวกเราทุกคน พยายามพยายามอุตส่าห์พยายา ม, ายายามใช้ความอุตส่าห์พยายามให้คุ้มกับที่เราเข้ามาอยู่ในเพจนี้มีสาปรปะปังมีอะไรก็ไม่ปล่อยทําไปทําไปก็ต้องรู้ต้องเข้าใจว่าเราทําทำไมทําเพื่ออะไรอืทำด้วยความทั้ง อ, อกตั้งใจเราทําไปเรามีเหตุมีคนของของเราเองเราเป็นคนตั้งใจทําเป็นเหตุผลตามมา คนยังอุ่นทำไมอุ่นคืออะไรมีอะไระคนนั้นได้ใช้ได้สอนคนนี้ได้ใช้ได้สอนเพื่อประโยชน์จะทําอะไรแต่เราอยากให้เราดูประโยชน์ให้ยู่ประโยชน์มันจะพึ่มเกิดขึ้นประโยชน์ที่จะพึ่มเกิดขึ้นมากน้อยอย่างไรก็นั่นแหละคือผลที่จะพึ่มย้อนย้อนมาเกิดประโยชน์นนชนในในการเสียสละในบางเวลาที่เราุาพยายามทุกอย่างํา สิ่งต่างๆลนี้เราอย่าประมาทมันเป็นบุญอย่างหนึ่งทลอมขมาทลอมขมาเพราะสิ่งต่างๆนี้สอนเรามีสติมีปัญญาได้จรงเดียวกันทำนู่นทำนี้ทํานี้ทํานั้นบางทีเราได้อวัยวจากการที่เราเราเหมือนกันเราได้อวัยวจากการที่เราดูเราว่าจะได้อวัยวจากการที่เราได้ยินได้ฟังได้เห็นเพราะฉะนั้นเราปฏิเสธไม่ได้เราไปที่นู่นที่นี่เราไปตรงนั้นไปตรงนี้ ไปตามลำว่ย ไ, ไปตามป่าไปตามตรงนั้นตอนนี้อะไรที่เป็นประสบการณ์ผ่านตาหูตูมลิ้นกายใจของเรามันมีโอกาสที่จะเป็นช่องกันอุบายให้กับสติกับปัญญาถ้ามันเกิดสติเกิดปัญญา้เช่นเกี่ยวกันเราจะปฏิเสธไม่ได้ถ้าเรามีสติมีสัมชัญะอยู่กับตัวเพราะฉะนั้นเราอย่าอย่าประมาทอย่าประมาทให้กับตัวเองอย่าตำหนิตัวเอง อย่ามักง่ายตัวเองอย่าดูถูกตัวเองให้ทําด้วยความทั้งหมดทั้งใจทำข้อวัดปฏิบัตินะข้อวัดปฏิบัติพระใหม่บางองค์ก็ยังไม่รู้ไม่เข้าใจการทำข้อวัดปฏิบัติเนี่ยไม่จำเป็นจะ้ไปคุยกันปัดตาเนี่ยจะไปคุยกันอบางทีเราไม่ได้ไปไม่ได้ยินไม่ได้ฟังเราก็ไม่ได้บอกแล้วก็คุยกันไปไม่มีใครบอกเลยว่าถูกไม่ถูกนะพิด ไปทําข้อความครูบาอาจารย์คุยกันให้กันได้ยินไมได้ล้างบาศเช็ดบาทตามคนตามตั้งใจทำทํำอะไรแต่ละอย่างตั้งใจทำปัดกวติคือทําข้อว่าอะไรก็ตามแต่คุยพูดเท่าที่จังเป็นมาแถวๆลมร้อนนเ่งไม่จําเป็นอย่างไปมงเป็นมองเป็นมงเป็นฟังแล้วมันบางคนเขาอยู่ที่สงบสงัดแล้วก็ออกมาแล้ก็ไม่เจอแบบนี้ มันขัดหัวใจมากๆที่เดียวแะละมันขัดมากนะขัดมากทีเดียวไม่เชื่อท่านลองทําใจไปให้มันละเอียดมากกว่านนี้มีความสำนึกรู้สึกตัวมากกว่านี้นะจะเกิดความรู้สึกอ๋อเพราะฉะนั้นไม่ยอมเปลี่ยนไม่พูดพูดก็พูดพอประมาณพอได้ยินได้ปังพอได้ยินใน้รู้เรื่องอะไรทั้งนั้น ไม่ยังเป็นอย่าไปยืนเถอะไม่ยังเป็นอย่าไปนั่งเถอะถามตัวเองว่ายืนทําไมถามตัวเองว่านั่งทําไมถามตัวเองว่าเดินเรื่องนั้นไปทํำไมไปทำนั่งไปทำนี้เราไปทําไหมถามตัวเองอยู่เรื่อยๆทุกวันเราจะได้ความสํำนึกตัวระลึกตัวได้เราต้องรับผิดชอบตัวเราและต้องรับผิดชอบในหน้าที่ของเราด้ยการอยู่ การดูแลการอยู่ที่ไหนก็ตามให้รู้จักดูแลให้มีความรับผิดชอบเราอยู่ที่กุติดเราเราใกล้คิดกับอะไรเกี่ยวข้องกับอะไรก็ให้เราดูแลเรารับผิดชอบพวกเราเนี่ยบอกพร้อมกับการรับผิดชอบเรารับผิดชอบอะไรเราควรจะทําความสนใจกับสิ่งต่างๆเล่านั้นให้มากดังนั้นสำหที่เราตั้งใจมาฝึกฝนอบรมตนเรามยแบบนี้เราอยู่แบบ คู่ฝึกฝนอบรมไม่ใช่อยู่เฉยๆวันคือล่วงไปเปล่าๆไม่ใช่ไม่ใช่เรามองมกหมกอยู่พอนับท่า น, น, น, นั้นวันท่านี้วันเราอยู่อย่างเอาผลประโยชน์เอาไรายได้เข้าสู่ตัวเองเพราะนี่เป็นเป็นบุญยัตสถานเป็นที่ฝึกให้เกิดบุญเป็นที่ฝึกตอนเป็นที่บำเพ็ญตนวัดนี่ความเป็นอยู่ก็เป็นระบบระเบียบย่างที่เราเราู้เรื่องนแหละ อันนี้เป็นบุญญาบารมีของพระพุทธเจ้าของครูบาอาจารย์บุญญาบารมีของพระพุทธเจ้าโดยเพราะอย่างนี้วัดนี้เป็นบุญญาบารมีของตาอันสืบเนื่องมาจากพระพุทธเจ้าพรพุทธเจ้าท่วางหลักเอาไว้การขอบทานฉันเราไม่ต้องทําหากินไม่ต้องซื้อถูกขายแพงอุปมาอุาปลไลน์ไปเขาก็ใส่เต็มมา เพราะฉะนั้นเราความเป็นอยู่ของเราจึงตามจากเราว่าปัจจัยสีขงเราเราได้มาจากชาวบ้านเขาทําบุญที่วาวใสก็ได้มาจากปัจจัยชาวบ้านเขาทําบุญเครื่องนุ่งห่มเราก็ได้มาจากปัจจัยที่ชาวบ้านเขาทําบุญอาหารก็ได้มาจากชาวบ้านเขาทําบุญตลอดจนยูยาการรักษาดูแลตัวเองก็ได้มาจากชาวบ้านเขาทําบุญเราอยู่ท่ามกลางกองบุญ เราต้องทําตัวเองไห้เกิดบุญเพื่อให้คู่ควรกับคนที่เขาอยากได้บุญกับเราถ้าเราไม่มีบุญพุทธิยศสนองเขาเนี่ยโบราณท่านว่าไม่มีอะไรตอบสนองเขาเนี่ยไม่มีความดีพอที่จะคุ้มค่าปัจจัยเสีงเขาตายไปเป็นควายาเป็นควายเขาแทนาทํ า, าทไมอ่ะไม่มีสติไม่มีปัญญาไม่มีคุณางามความดีก็ต้อง เอาแรงเอาไปให้เขาไถนานเองโบราณท่านชอบพูดอืมตายไปเป็นควายเขาไถนาเพราะอะไรเพราะเรามาเสพสุขปัจจัยสี่ที่ชาวบ้านาเขาทำมาแล้วไม่ทำกุงามความดีคู่ควรก่อนเป็นนี่เขาที่ไม่ว่าเป็น น, นี่ต ง, ง, นาาาา ง, งต้องระวังปัจจัยสี่นี้เราใส่ชาบ้านเน่ยต้งระวังถ้าเราไม่นึกมันคิดเรื่องเหล่านี้เราลืมตัวลืมตัว ลืมตัวลืมหน้าที่ลืมประกอบพุนาความดีที่เราควรจะทำถ้าเราตั้งตัวได้เราตั้งหลักได้ทั้งวันทั้งคืนทั้งยืนทั้งเดินทั้งนัง่งทั้งนอนนี้จะเอาประโยชน์ให้กับตัวเองทั้งนั้นคนอื่นเป็นผลพลอยได้เทานั้นเรามีความดีเป็นของเราคนอื่นเขาบุญดื่อกับเร า, าคู่ควรกันขเขาก็พอยได้รับบุญได้รับกุวลจากคนดีที่มีบุญมีกุศ เราไปทําบุญกับคนที่ไม่มีบุญมันจะได้บุญอะไรไปทําบุญกับคนที่มีบุญไม่มีบุญไม่มีกุศลมันก็จะได้บุญอะไรไปทําบุญกับคนบาปมันไม่มีความดีที่ให้เราเพราะฉะนั้นเราทําตัวให้เหมาะสมกับทยธรรมของเขาให้เขาได้ด้วยในขณะเดียกันเราได้อันดับหนึ่งเขาไปผลเป็นผลรายได้รองอันดับสองนะ ย้เอาไว้ขวัดเวลาทำขอวัดไม่จงเป็นก็อย่าคุยกันก็ไม่ควรยังเป็นอะไรนักหนาบางคนปัดตาจับคู่กันเราเคยเห็นเนี่ยจับคู่กันตั้งแต่เรื่องแรกจนโน่นไปปัดจบน่ะคุยกันไปเรื่อยมันผิดหลักนะผิดหลักแล้วเราจะได้ตั้งใจภาวนาอะไรมันก็จะเกิดขึ้นในใจจะได้ไคุยเรื่อยไปจะละพัดไปไมันเกิดประโยชน์อะไร ที่แรกเราอยู่ด้วยกันเราก็บอกอย่างนี้เพื่อเกิดประโยชน์ไม่งั้นเราเราอยู่ด้วยกันแบบไม่เกิดประโยชน์อย่างพวกท่านทั้งหลายท่าไม่ฟังผมมันก็จะไม่ได้ประโยชน์อะไรจากผมผมก็อาศัยด้วยความเห็นอกเห็นใจเมตตาสงสารอยากให้ดีอยากให้ดีก็บอกอันนี้ก็ถับเตือนก็สอนไปบอกไป ก็คิดว่าไม่พาผิดคิดว่าจะพาทำให้ถูกแล้วก็พูดบ่อยบอกบ่อยก็ไม่ไหวให้เรามีสามัญสําำนึกด้วยถ้าไม่มีสามัญสํานึกมันก็ไม่หมายแล่ะบอกคนนั้นตูดเดี๋ยวนี้บอกคนนี้ตูดเดีสองนัดคนนั้นนี้เพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์ตนด้วยเพื่อประโยชน์ท่านด้วยเพื่อปรโยนเราเพื่อประโยชน์ท่านตองคุณ ทำคนทำหวังประโยชน์ ด, ด้วยกันทำคนต้ออกจาก บ, บ้านมาหวังประโยชน์ ด, ด้วยกันให้มันได้ประโยชน์จากกันถ้าเราไม่เกี่ยวข้องด้วยประโยชน์แก่กันด้วยกันแล้วเราก็เราก็ไม่เกิดประโยชน์แล้ว<น>ถ้าเราไม่เอาประโยชน์จากกันนัมันก็แทนที่จะได้ประโยชน์มันด้โทษมันด้โทษเพราะฉะนั้นทุกคนตั้งใจแม้แต่มุ่เราเองล้วก็ ให้เห็นให้เนอกเห็นใจซึ่งกันกันให้รู้จัเกเคารพก่อนให้รู้จัยยกยำเกรง ก, กันผู้ใหญ่ไปยำเกรงผู้น้อยได้ผู้น้อยไปยำเกรงผู้ใหญ่ได้กิริยามารยาทขวางกันแล้อ่อนน้อมขวางกันให้ทุกคนหวังพึ่งกันเมื่อหวังพึ่งกันและกิริยามารยาทที่จะเข้ากันเหมัน ก, พพกน็พร้อมที่จะทำนั่งเท่ากันพร้อมที่จะอ่อนน้อมขวางกันจะทาําให้หวังพึ่ง ก, กันและแต่คนอยากทิฏฐิมานา ต่างคนต่างแข่งแข่งกันแข่งกันทิฏฐิมานะแข่งกันไม่มีประโยชน์เขาไม่มีประโยชน์เราก็ไม่มีประโยชน์รูม้มีประโยชน์อะไรอิยาความระพฤติเวลาที่เราทำตอนนั้นช่วงนั้นระยะนั้นไม่มีประโยชน์แค่โทษเดียวเดียเราอยู่ทางกลางสนามฝึกเพื่อความเป็นสัจธรรมรุคือผู้รู้ผู้ชนะโดยธรรม เราต้องพยายามฝึกพยายามฝืนในได้ในเรื่องขีงเากลียดเราไม่ต้องคิดดอกมันเต็มแปร่หนอหัวใจมาด้วยกันทุกคนเรามานี้เรามาพยายามจำซ้ำรอมันปอกให้มันเบาไปให้มันบางไปให้มันหมดไปในที่สุดนี่เป็นเป็นพุทธประสงค์ของพระพุทธเจ้าที่ท่านทรงประกาศศาสนาให้มีภิกษุภิกษุโยมาสุกุบาสิกาเพื่อประโยชน์เพื่อความสุข แก่ตนเองเพื่อความสุขแก่ท่านเพื่อความเจริญมอกนามไผูบุของพระศาสนาอเป็นมรดกตกทอดแก่ลูกแก่หลานแก่ลินแก่บุคคลรุ่นหลังต่อๆไปอาศัยการสืบช่วงกันมาอย่างนี้คือะโยชนขวอวัดก็ทําไปปัดกวาดรู้ให้รู้ถึงไปวันไหนที่ฝนไม่ตกน่ะเราไปปัดในลานใหญ่ๆไม่ได้เราก็ไปหาปัดตามชายคาอาคารกุฏินุ่นกุฏินี่ไป มริเวนเนี่ยบริเวณส่วนรวมตรงนี้ตรงไหน ing, ที่มันตาศซอกตามมุมมันไม่สะอาดเราก็ไปทำเวลาทำเวลาปผ่าตัถือว่าเวลาทำความสะอาดแล้วผ่าตัดไม่ได้ตรงไหนคนรทำให้สะอาดเราก็ไปทำทำศอกตามมุมไปจัดตรงนั้ น, น ไ, ار, ไปเก็บตรงนี้นป เ, ب, นนเป็นระเบีย ب, เบเรียบร้อยไอ้ที่มันร้องเรามามันไม่ใช่ร้องจากใครร้องจากพวกเราเนี่ยที่มันไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยมันไม่เป็ น, Pork, ปนจากใครมันก็เป็นจากพวกเราเนี่ย ไปจัดไปทําให้เป็นระเบียบเข้าตรงไหนไมนเป็นระเบียบเรียบร้อยจ่ายเขาตรงไหนไม่สะอาดไปทําให้สะอาดเข้าเอยไม่สะอาดเราพอจะพูดได้ว่าจากฝนแบบจากลมบ้างมันพัดมันใบไม้มันเปลีวมาพวกดินพวกอะไรมันถูกฝนถูอะไรมก็เดินไปแปดไปเปื่อนไปไหนเราเราว่าอันนมันเป็นธรรมชาติที่เราจะต้องดูเลยเราดูใช้สอยมันก็ดูเลรักษามัน ของที่เราใช้เราสอนเป็นประจำรถลาที่เราใช้เป็นประจำมันทุกวันมีใครสนใจดูแลบ้างมีแต่เอาที่ดินไปโปะไปโปะเลดูแลกว่าด้วยอะไรด้วยก็เราจำเป็นรอสายมันนก็ต้องมันให้มันอาศัยเราบ้างรอสายมันนิดหน่อย เราอาศัยม like ันเน่ยเอา้าคิดโตมันพ่อมันยัไงเราต้องปัดที่ดินปัดอะไรออกให้ไมนมันด้วยนจะต้องไปเอาไปล้างไปฉีน้ำอะไรใส่ดอกแค่ปัดบนพื้นหนึ่งก็ถือว่าได้ช่วยด้วยได้เห็นความสัำปรีได้แสดงถึงความดูแลรับผิดชอบมันยังเป็นไปหมดสิ่งที่เราไปเกี่ยวข้องเราอาศัยมันอันไหนที่เราไม่เกี่ยวข้องมันเราไม่อาศัยมันนเราไม่ยุ่กับมันเลยก็ได้ ในที่เราเกี่ยวข้องมันเราแม้แต่ห้องน้ำเนอะห้องน้ำํำผูกรุ่นเราก็บอกให้ไปช่วยกันดูเลยห้องน้าห้องน้ําสาธารณะเราปัดไปถึงไหนเราก็รูเขาไปดูเข า, าเป็นสตร์เขาไปเก็บเข้าไปเมีย่ยนเข้าไปอะไรปัดๆรอบข้างห้องน้ำํำถ้าเราไม่ทําแล้วใครจะทำโยมบางคนไม่ใช่บ้านเขาอะเป็นบันทีเขามาเข้าเข้าบางคนยังลืมเอาไว้ให้เราลาให้อีก อย่าไปหวังอย่าไปหวังความสะอาดเรากลัวแต่เขาไม่ได้รับความสะอาดเราพยายามแต่งไว้อย่างดีสาสะานอย่างดีแต่บางคนทำความสะอารไม่เป็นสักดูดูสังเกตเราเถอะแต่บางคนเขาก็ดูแลเห็นอยู่เขาก็ทําอยู่ห้องน้ําตรงไหนที่เราพัดเราปัดตาผ่านไปเราก็ไปดูกันแล้วคนเข้าคนเข้าแป๊บเดียวเสร็แล้วผ่านไปแล้ว ผ่านไปตรงไหนก็ไปดูไปศาสตรไปล้างถาเราไม่ช่วยกันดูเลยหมันไม่มีพันธองในวัดเราไม่นี่แล้วว่เราพันธองเสียหายทตรงไหนพอเราไปดูไปแล้ไปทําพระพุทธเจ้าท่านวางไว้เวทเจ้กดฎีวัดเวทเจ้ากุฎีวัดไปอ่านดูในวิญญาณมุลเล่มสองเวทจกว้ดจกดฎีเวทจ้กดฎีคือห้องน้งาําห้องส่วงเวทเจ้กดฎีวั ด, ว, ดวัดปัตตะปัตตะ คือจริงที่อยากพึ่งทำเป็นประจำในห้องน้าไปอ่านดูอะไรไม่รไ้โมเลสอนดิไม่ใช่ห่องีนะมีที่จะพึ่งวางไว้รายะเยดเรออกมาห้องน้ำสาธารณะเราต้องช่วยดกันมีเทียนมีสบู่มีแว็กมีอะไรห้องน้ำบางทีในผ้ากรองมันดาปิเลยนะทำเยอะๆเย็บเยอะๆเราก็ไปเดินมา เขาไง่ายเขาขค่นๆเย้มากๆเดินมาเดินมาเห็นมัดปั๊มเห็นไม้เอี่ยมเปิดน้ำใช้มาสะอาดเนดูปัสิจใจผมเกิดความรู้สึกยังไงบ้างไปดูแล้วเห็นดำปีเกิดความรู้สึกยังไงบ้างถ้าเปิดเจ้าของจะไปใช้น้ำเปิดมาแทบไม่กล้าใช้น้ำแล้วรูแค่นี้เราก็รู้แล้วบุญเกิดมั้ยนี่บุญเกิดเราไปทำปั๊มโอสะอาดสะอาเราะด้วยไหมเน่ บุญไหมบุญเกิดกับใครเราทําให้ใครเอาไปเราเป็คนทําใครจะเอาบุญเอาไปตะโกนสามโลกกระถางให้เขามาเอาไปเราทํำจะไปไหนก็มาหาเราต้นเห็นอยู่ที่นี่บุญมาที่นี่อย่าไปถือตัวการถือตัวนับตั้งแต่มากไปหาน้อยเป็นเรื่องของกเกลียดทั้งหมด การถือนื้อถือตัวแต่ถ้าถือว่าจะของเป็นสมณะควรสัมรวมระมัดระวังให้สมกับสมณะสารูปอันนี้ควรถือข้อธรรมเป็นไงข้อวัตรเป็นไงข้อวินัยเป็นไงรู้เข้าใจประพฤติปฏิบัติตามนั้นอันนี้เราควรญิงเราควรญิงในศักดิ์ศรีของความเป็นสมณะของเราแต่การถึงเนื้อถือตัวเพื่อทิฏฐิมานะ น, นั้นเป็นเรื่องของเกเรทั้งหมด เป็เรื่องขีงกิเลสทุ้งดุนใครยินดีรับเป่าโง่ในโทษหลายชัน้นมันไม่สมกับเกียตนารมที่พระพุทธเจ้าท่านปลูกฝังเอาไว้ไม่สมกับที่พระองค์ทรงอนุญาตปัจใจสี่เอาไว้กับพวกเราไม่ใช้ได้สวยอย่างสุดกสบายพรุทธเจ้าท่านทรงอนุญาตเอาไว้นะไม่งั้นใครจะเอามาให้เราพเระพุทธเจ้าท่านทรงอนุญาตาไ ชาวบ้านก็อย่างได้บุพวกเราตัทำใจรักษาศีลโอ้ทำบุญก็ผู้มีศีลโอ้ท่านตัทำใจภาวนาทา่ทานทั้งใจปฏิบัติธรรมโอ้ทำบุญก็ผู้มีธรรมนี่เขารู้สึกว่าเขาได้บุญแต่อย่าลืมว่าบุญแต่ละอย่างแต่ละอย่างที่เขาทํามาีก็อธิษฐานนะเห็นไหมเราไปใส่ไปบินทบาทนะเขาใส่บานะบทอะไรโจกใส่หัวเท่าไรไม่รู้เขาว่าอะไรอะไรเราไปถามเขาบ้างนะเขาโจกอะไรใส่บ้าง ใส่เสร็จแล้วเดินสลอนเรียงหน้าไปเราไหว้าตามหลังอีกเรามองเห็นภาพนี้เรารู้สึกยังไงเรารู้สึกยังไงเสร็จแล้วเราควรจะทำตัวอย่างไรนี่อันนี้เป็นเป็ น, เ ป, นเป็นข้อที่เราควพรพิจารณาอยู่ถ้าเราไม่นึกไม่คิดไม่พิจารณาสิ่งเหล่านี้มันไม่รู้จะเจริญได้ย่งไรเลยหันใจของเรารคือเดินเคยพา ใหงความคิดพอ า, าํทำหนบบลาบไปะรุงวันเดิมเอาเสียินลาเอานะเราสมควรแก่เลาแะ